Book 2เจ็ดสิบเก้าเด i ิบาคคุณศัพท์สองดิฉันสวมชุดสีฟ้า ดิฉันสวมชุดสีแดงยาอิมัมนาเซบีสีแด n ฮาลีโนดิฉันสวมชุดสีเขียวยาอิมัมนาเซบีสีเขียฮาลีโนดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ ฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาลฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว ดิฉันต้องการรถคันใหม่ยาเทร a ัมโน o โออุโตดิฉันต้องการรถความเร็วสูงยาเทร a ัม บ, บร o โซอุโดิฉันต้องการรถที่นั่งสบายยาเทร a ัมอุดอบโนอุโต ผู้หิงชราอยู่ชั้นบน Tama gore stanuje jedna stara žena ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Tama gore stanuje jedna debela žena ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Tama dole แขกของเราเป็นกันเองน o กท่ u d เที่ยวของเราเป็นคนสุภาพแขกของเราเป็นคนสุภาพ แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ낯ชื่นโกสติสุบิลีอินเทอร์เรซันตนี่ลูดดิฉันมีลูกที่น่ารักยาอิมัมดรากูเดีตแต่เพื่อนบ้านมีลูกสน ali ี o m มชี e imaju ญูอเอบรา ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะย suli v a ชาดิ i e ซ่ด bra